เดินํำไปปฏิบัติเลียวยินได้ฟังมามากก็ย่อมฉลาดในการกระทำเอยฉลาดในการกระทำยอ่อมเจริญลูกเหลืองขึ้นในการกระทำในหลายอย่างผี่ตอ่อรวันมีหลายอย่าง ตาไปทางหนึ่งหูไปทถ้งหนึ่งเสียมุขลิ่นงก่ายใจไปทถอหนึ่งมัง cái, งน ม, มีหลายอย่างจะต้องมีหลายอย่างเม่ได้ด้วยควนก็ด้วยมนุน์ไม่ได้ด้วยมนุนเ์ก็ด้วยคาถาด้วยจดมือใช่เพราะเราไม่ได้จนเราศึกษาเราได้ยินได้ฟังมามาก็นต้องสูตร ไม่ได้ฟังมาแล้วมากระทาดูตอนสาวที่อยากพิสูจนอตอนเช้าตอนเย็นสวดมนต์ไหว้พระในแตความสอนดีๆถ้ามาประกอบการสอนตัวเองถ้าไม่ออกมาประกอบสอนตัวเองไม่ได้ฉลาดไม่จะดีขึ้นนะไม่มีบุญอะไรสวดมนต์เพื่อจะเอาบุญมันได้ตรงไหนถ้าไม่ออกมาทําไม่ประกอบขึ้นมา จะมีบุญมีกุศลก็เพราะมาปรบกอบขึ้นมาเอากายเอาใจนี่จะต่อเอาสิ่งที่ดีที่ถูกต้องโดยเพราะวิชากรรมฐานนี่จะวิชาที่ชัดเจนแว่นยนํำในการกระทา การทำความชั่วก็ชัดเจนการทำควดีก็ชัดเจนได้เห็นได้ดูได้ดูได้ปฏิวัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมันชัดเจนเหมือนคนดูงานดูกาลถ้าผิดก็เลยวิื่อไข้ถ้าถูาถกก็ทําไปไม่เสียเวลา กรรมฐานนี่ทัให้เราได้เกิดความแม่นํำชัดเจนยิ่งขึ้นในการทงความดีาการละความชั่วไหนเราก็เป็นนักบวดเข้ามาอยู่ในผ้ากาสวพัด น, นุ่งเหืองนุ่งขาวเป็นธนาคาลิกะ ออกจากบ้านจากเรียนมาแล้วในส่วนปล่อยชีวิตอีกเชิงข้างอ่็เพื่อจะเป็นเพืนักบวชหรืว่าสำนักเทศเอาถึงจใยให้เป็นใจนักบวชด้วยแตะว่าอุดมภเทศขึ้นไปถึงจใยให้ถึงจใย เลยเพราะเรื่องใจเรื่องสําคัญเรื่องจิตใจเรื่องสําคัญตั้งไว้ให้ถูกเอาตั้งไว้ถูกไว้ไวชอบพอเป็นพัยหวนเราถอนยาคาเมื่อกำไม่ดีญาคาที่เราถอนกับบาดมือได้ตามกับใจก็ทําเหมือนกำญาคาถอนญาคาขึ้นเพื่อให้ไม่ยาคาเป็นบาดมือ เราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์ผกค้อง ค, คิดจิตใจไม้ว่ามันถูกบาดแล้วถ้าทำดีก็เห็นหวันมั น, มนไม่ได้บาด ท, ทำความดีไม่ได้สําเร็จทำครื่องเล่าของชั่วก็ไม่สําเร็จปล่อยทิ้งไม่ติดตามถ้าเราฝึกกรรมฐานแล้วมันิดติดตามใส่ใจ สัมถะสอนพอใจนีศรัทธาสอมเชื่อมัน่นมีความเพียรวิริตะเพียรประกอบอยู่เสมอมีมจิตต่อใจใจอยู่เสมอมีประจบการณ์นนความผิดความถูกอยู่เสมอได้จำนาน่าขึ้นอจีตก็ได้จำนาญได้เกิดความถูกถ มันทุกข์ชัมนรนว่ามไม่ทุกข์มันหลงกชมนานว่าไม่หลงก็ไปศึกษาในฉันทะมีวิญญาณมีิตะมีธรร ม, มวิจยะสอดสองดูเห็นไม่หลอกเองไม่ได้ก็มีเจติเป็นเกณฑ์ที่วัดแล้วสอด แจกไข่ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องขึ้นมามันสนุปตีได้ข้อมูลได้ทุดฎีใหม่ๆอยู่เรื่อยในการรักความซื่วในการทำความดีก็ย่องสะดวกขึ้นเจริญขึ้นง่ายขึ้นของยากเป็นของง่ายขึ้นของหนักเป็นของเบาขึ้นวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ ขนส่งเรื่องของเราไปถึงความถูกตองมันเห็นความว่าถูกต้องขส่งไเอาสกระบอกฐานไปติดตั้งมีจตไปในกายอัวแขเข้าเจริญอเคลื่อนไหวสมัชย์บัพะมันเคลื่อนไหวยกวบัพะ ถ้าเห็นความคิดที่เกิดขึ้นมาได้เห็นจิตตบพะดูจุดเดียวเห็นไปหมดเป็นตลาดนัดตลาดนัดของสับปะชิงที่เกิดขึ้นกับไปากิดจ่ายถ้ามีสติศูนย์รวมถ้าไม่มีสติก็กระชวยกระจายที่ผิดที่ถูกไม่ได้ ควาผมผิดก็เท่าจังตัวก่อนความทุกเข้าถึงตัวก่อนเยียดเียดเปียบทุกขั้งที่มันผิ ด, ผ ด, ผ ด, ผ ด, ผดเหียดเปียบทุกขังที่มันคิดมันคิดมันทุกเหียดเปรียบทุกขั้งที่มันหลงหลงก็เป็นหลงไปทุกขก็เป็นทุกข์ไปแล้วก็ทําความดีไม่ทันความดีก็มาทีหลัง ก็เพื่อนจนแล้วแก้ไม่ได้วางทีก็กลายเป็นนิสยัยราคาจะลิดโทราัพจะลิดของหาจะลิดง่ายทไปทางนั้นเคยชินจนแล้วจิตใจก็เคยชินไปทางนั้นหอบยิวไปไหนจนเกิดความสุขความทุกข์เกิดจากจิต เกิดความสุขความทุกข์จากความคิดตัวจิตหลีกหนะจากความคิดเสร็แล้วมันไปแล้วก็มันไปแล้วเข้าถึงแล้วก็ยอดแค่น้อยดนึ่งก็มาต่อรู่กับความคิดเอาเรื่องความคิดเป็นเรื่องยอดกันเลยแล้วเกิดการคิดไหลขึ้นมาก็ยอดแล้วยอมแล้ว ที่แพ้มาตลอดบาลลังใจมาตลอดให้ความคิดแบบเป็นจุกเป็นทุกให้ความคิดป่าเกิดกิเลสตั้งหานอนอยู่ก็นอนไม่หลับทำมันเจ็ดเกิดขึ้นเข้าก็ไม่หลงทำมันเจ็ดก็เลยเป็นไปตมามความเิดซะโอ้ พอแกชุดแล้วเมื่อพร้มวันเดียวก็เจอมพ่ายแพ้ตลงกัหลงขี้แพ้ทุกเป็นทุกคนขี้แพ้โกรธเป็นโกรธคนขี้แพ้เป็นปราชัยเป็นบาบชาตินี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่ปราชัยพ่ายแพ้หนักหนักเราก็เกิดอาการทระกายทั้ง วาจาทั้งใจขึ้นมาในการกระทําสาเร็จรรสุนทรสมบูรณ์สมชั่วสมบูรณ์แบบเราจึงฝึกกรรมฐานนี่ให้มันมั่นคงแม่นํำชัดเจนหัดตนสอนตนถ้าไม่หัดไม่เป็นสาใจนี่ถ้าไม่หัดมันไม่เป็น มันจะเรียนรู้เรียนรู้ท่องเอาก็ได้สติความลึกได้จำสัญญาความรู้ตัวจำเอาภาษาจำรู้จำมันจะลแก้งเรื่องรู้มีสองระดับรู้จำมันหนึงน่งรู้แจ้งอันหนึ่งรู้จำสอบดักทำตีรู้เอดได้สอบเรียนสอบอะไรก็ได้ในความรู้แต่ที่เล่าที่หยาความทุกข์มันเยอะแยง ทาบาปทำกรรมหลอกลวงคนเยอะๆพ อ, อสิ่งอื่นที่คนทำไม่ได้เมื่ออาเสื่อนักห่าวถกดวงคนทุกวดดังทั่วโลกของผูเน้นคํ า, าลแล้วว่าล่วนคาเสร็จแล้วสิ้แล้วผลไปเสร็แล้วปว่อยสันหลอกจนมีพระ นักบวดป้องนักปกครองปล่อยทํานี่มานานเหลือเินหลอกคนเสียหายติดตามจับมาไล่ข้ามแดนหนีมาอยู่ต่างประเทศหลอกถูกหลอกเท่าหร่ถกหลากก็เสียด้วยเราเป็นนักบวดเหมือนกัน ระวังไม่เลื่่ยไม่ขี้ก็ก็ไม่เลืไปขี้นั่นก็ผิดก็ไม่เลื่อุ่ไม่ขี้ก็ผิดบอกผิดบอกถูกตัวกันไม่เลืแล้วก็ไม่ขี้ไม่ได้ขี้ก็พลาดแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับสึงเื่นวัตถุอื่นคนอื่น แล้วชีิตก็สวนเปล่าโมข้าบุรุษถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ผิดโมข้าบุรุษเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ไปขี้ก็ผิดโมข้าบุรุษเช่นกันถ้ารู้แล้วต้องขี้เรียว่ามีละบุรุษจตะบุรุษก็ไม่รู้องศึกษาให้รู้เพื่อจะได้ไปขี้ อันนี่เป็นนักศึกษาตัใ้ใจเรื่องนี้ตั้งใจศึกษาดรงนี้เ่ว่างวิชากรรมฐานเหมือนว่าราหุนตั้งใศึกษาเรื่องนี้นนาานจนจได้เป็นพระหุนสูตรมากที่สุดลาหุนนี่อธิฐานใจกอบเป็นสายขึ้นมา กอบหนึ่งยกขึ้นอยู่ทั่วหัวข้าพเจ้าจะศึกษาให้มากที่สุดเท่ากับเม็ดชัยในกำมือของข้าพเจ้านี้เดิตั้งจนศึกษาลู่หมดืเอเป็นไวหนุ่มไวรุ่นเป็นรับเอตถะในเลือดแหงการศึกษาใจใจการศึกษามากที่สุด ถ้าว่าถูกถ้าสาตำดาขนาดอยูเสมอเห็นสมมาตรก็ต้องใสดใจเสมอเมื่อเห็นคหนหนึ่งสปัดก็เรียกมาสอนไปยินคำพูดเรียกมาสอนมันเห็นอยู่ ที่แสดงมาคำพูดทางกระทำพระสาวสตาก็เรียกมาสอนถูกสอนไม่ไหวถูกสอนไปไ่ไหวก็เกิดความรับผิดชอบตัวเองนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้ววัตั้งใจแล้ววัเห็นความผิดพลาดที่มันแสดงออกมาจากาจาการจัดใจไปเจ้าเปียบเพียบ ราหนก็นมากราบมาล่างเท้าพระศาสดาเมาล่างเท้าแล้วพระศาสดาก็ลาหนน้ำในกระลาหมดเอยยางยังอยู่พระเจ้าข่าเอาตักขึ้นมาราหนก็นตักน้ำขึ้นมาเต้นกระลาเอาเทลงไปเทลงไปทิ้ง แล้วข่วมกันลาไหว้ลาโหน่น้ำในกันลาหมดหรื อ, อยังเก้หมดแล้วข่วมไว้แล้วหายขึ้นมาดูหายขึ้นมาก็มัมีน้ําลาโหน่ความชั่วความดีถ้ามันหนีไปถ้าความชั่วคิดแตนแล้ว เหมือนกันน้ำในกันลาเวลาทำความชั่วความดีไม่เหลือเลยเหมือนหายกันลาขึ้นมาน้ำเหมือนความดีเวลาทําความชั่วน้ํากันลาก็หมดหายไม่มีชั่นิดเลยถ้าทาความชั่วความดีก็หมดถ้าทาความดีความชั่วก็หมด เราจะทำชันได้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องใส่ใจศึกษาอย่าประมาทเราหุ่นก็เลยตัง้งใจหลงไม่ได้เด็ดขาดเยี่ยนพยายามรู้สึตตัวอย่เสมื่มันจะตัวนี้เห็นราได้แก่เติ้งแต่ต้น ชีวิต้ตองลอกไปขึ้ช่นเดียวกันอาจจะเคยหลงมานานสิบปียี่สิบปีก็มีสามสิบปีก็มีห้าสิบปีหกสิบปีก็มีไม่เคยใช้ใจเคยทุกขมานานเคยโกรธมานานเคยเกับจิตใจ จิตใจนี่มันดีๆมาแต่ก่อนบริสุทธิ์มาแต่ก่อนเพื่อความหลงเกิดขึ้นความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เปิดอเพื่อนจนแล้วใจอยูด่ดีก็เป็นใจเปิดเพื่อนเข้าหมองไปความเปิดอเพื่อนเกิดจากจิตใจนี้มันก็เป็นกรรมที่แสดงออกมาทังกาลและกรรมใบจีกรรม เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองไม่พอเป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนอื่นตัวอื่นวัตถุอื่นหรือเกิดโรคภัยข้เจ็บไม่สงบเกิดร้อนจึงสยศ จ, จัยการดูแลเรื่องนี้มีกรรมาฐานเท่านั้นอดทนสนตนเตือนตนแก้ไขต น, ต น, ต น, ขยตนอยู่เสมอมองใจเห็นไม่ปิดบางพังอะไรดอก ดีพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจนี่ไม่มีตรงไหนปิดบังได้มันมีความลี้ลับธรรมิจะติมันเหมือนกับว่าเปิดของที่ติดออกอกหายของที่พ่วงขึ้นแล้วสนุกเฉือนของที่เปิดออกมันต้องเห็นแน่นอนของที่เปิดออกมันถูกปิดมานานของที่พ่วงหกหายขึ้นแล้วก็ต้องเห็นแน่นอน กวามวฐานเหมือนเป็นเช่นนั่นเฉินตัวเองไม่เฉิอนคนอื่นโดยก่อนมันจะเห็นความชิดโดกเห็นจักวจางกับหน้าทาแป้งอาบน้ำตัดเล็บตอนหวนวดสีผมแต่งผมย้อมผงแต่ว่าถ้าไม่มีกรรมฐานจะไม่เห็น เห็ที่เกิดกับจิตอาการของจิตยังไม่เห็นเห็นร่กายอาศัายใจดิ้อยแต่ทิ้งจิตไปเลยถูกททษทิ้งมานานแ ล, แล้วเรื่องอะไรเกิดกับจิตก็งดจากคอยตามแล้เราฝึกกรรมฐานจะเห็นสังคีตที่ต้อเกิดจากจิตเป็นดาวารของจิต จะรู้สึกว่าโอ้โหเกิดมา 20-30 ปีไม่เห็นความคิดตัวเองก็ไม่ได้ตื่นว่ามันด้านมาปล่อยความคิดไหลไปถึงโน่นถึงนี่ถึงความพอใจถึงความไม่พอใจเป็อย่างนั้นพไม่เห็นนี่ก็ได้แก้ตื่นเล้ววะน่ยตื่นความคิดตัวเองที่ไม่ได้ตั้งใจ ความคิดที่ไม่ตั้งใจนี้เราก็เฉยเมื่อผุดก ร, รมะถันไม่ได้เฉยเแล้วเป็นเรื่องหยาบพอยที่สุดมังกวบคิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ก่อนนักว่ามันเดิน ล, ดลายคิดไหลกันได้ปล่าเถี่ยนที่สุดจิตใจนี้ในความคิดท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้หมก ม, มุ่นคุณคิดในรมที่คุณงิขน วันนี้มาคือกรรมฐ า, านเข้าได้มีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเนี่ยอมันมีเครื่องมืออันดีทำอย่างนี้มันเห็นอย่า น, นี้ทําอย่างนี้มัเห็นอย่า น, นี้มันได้แค่ตรงนี้เปิดความพอใจคองมขยันฉันทะปัญญาจิตต่อใจใส่อยู่เสมอมาลวงกันเข้าได้รับอม หลงเป็นความรู้เนละความิเป็นความถูกต้องไปวหลายหลายข้งถอยข้างฝันหลนรูหนึ่ง้างหลงหนึ่ง้งรูหลงลอยข้งรูลอย้งรูเท่ารูทัน้ไปแั้ก็ถอดถอยเมหลงน้อยลงความรู้เพิ่มขึ้นนี่ป็นกอบป็นกรรมขึ้นมา ได้มีอา น, นิสงส์มั่นใจความบริสุดเกิดขึ้นจากจิตใจได้เสียนหลงเป็นลูโอะมนี้สียนขึ้นมาที่เสียนทุบเป็นลูโมี้สียนขึ้นมาโอ้เสียนเกิดตรงนี้สมาธิเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้อาจจะเป็นชีวิตที่เป็นคนกับเป็นมนุษย์เปลี่ยนกับตรงนี้ คนมันผลไปหมดมนุษย์มันแยกได้อย่างนี้มันทุกข์ถึงมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็พ่นจากทุกข์นี่คือมนุษย์มันโกรธถึงมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธนี่คือมนุษย์มนุษย์เท่านั้นจะเป็นพระมนุษย์แบบนี้มนุษย์ที่ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นพระเลยมนุษย์โสชีเป็นมนุษย์ไบบอย่างแล้วตอบปะอามาพันเต แตยังไม่เป็นแบบนี้ยังเป็นคนอยู่ก็มีปูนขึ้นไปแต่คนก็ไปทางตมหลงเป็นหลงไปทางตำทุกข์เป็นทุกข์ไปทางตำก็ไปแบบนี้ก็ไปชัวอับปายได้ถ้าหลงเป็นรูทุกข์เป็นรูไปทางสูงสูงอย่างนี้เลยหวนงดแวันประเสรขึ้นมาแล้วใจสูงขึ้นมา รู้จับฐา น, นะของเรามันต่างเก่าพ้นภาวะเดิมอย่างนี้ขอยันฝึกล้วว่าเนี่ยจนกอายเป็นความเป็นที่บ่งบอกเลือ่อนฐานะผ่านภาวะเดิมไปสู่ภาวะใหม่แล้ว่าชีวันได้ชีวิตเด่นใหม่ๆบริสุทธิ์ขึ้นมารู้จึดสวางาม ในตัวเองมันก็ึกได้ชิตเนี่ย้ามันอดฉานมาก็มันก็สะดวกมันก็เกิดความในตัวมึงเองเป็นประมัดในตัวมันเองความหลงก็เป็นความไม่หลงแทนที่ทันทีเป็นอันปรมวดเหมือนน้ากักน้ำใน ในองค์ก็ตัดออกมันก็ไม่เป็นหลุมแล้วก็น้มก็ไหลเข้าแทนที่อากาศเหมือนกันเป็นอัตโนมัติว่าได้เจนมันเลยในตัวมันเองกายดูกายยิดดูจิตไปเองก็หัดมันเป็นเส็จแล้วเมื่อเกิดจะดั่วขึ้นก็เมื่อเกิดจะละจรไม่จิต การศึกษาการปฏิบัติการถูกต้นสอนสนเทศความสะดวกจะวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอ า, านนผ่านโน่นผ่นนี้บางทีผ่านได้จึงรู้สึกนี่ฉินแล้วจึงรู้จักว่ามีฉินนี่สมาธิมีปัญญาแล้วจึงรู้จักว่ามีปัญญาหลุดพ้นแล้วจึงดูยานเป็นยังไงหลุดพ้นเป็นอย่างไงเกิดรู้อรเอง เห็ได้จึงเห็นเป็นได้จึงดูจิตนี้เป็นจิตบิดเบรินจริงๆถ้าเราฝึกมนาะสิตที่มันมีอยู่ก่อนก็หมดบ่อยสิ่ที่ไม่มีเกิดขึ้นมาความดีเกิดขึ้นเหตเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเหตนอะไรต่างๆที่ตามความเป็นจริงความเทศความจริง เห็นลูกเห็นน้ำเห็นสมมุติถึงนงมันหยาบเห็นลูกทุกข์เห็นน้ำทุกข์เห็นลูกทำเห็นน้ำทำม่าก็แตกมาแตกฉานมาลูกทุกข์น้ำทุกข์ลูกทำน้ำทำลูกโลกน้ำโลกลู ก, ลมล ก, ลกสมมุติหนองสมมุติวัตถุอาการหนังกาลมันมีอาการที่เกิดจากวัตถุก็มี แต่ก่อนเรียกว่าทุกข์เี่ว่าโกรธเี่กว่าโลภเรียกว่าหลงหรือว่าอะไรต่างๆวันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นํามาพิ้นอาการแต่ก่อนคาว่าโกรธก็เรื่องใหญ่คาว่าทุกข์ก็เรื่องใหญ่เหตุตัหาก็เรื่องใหญ่ไม่ค่อยชูวย่ววันนี้เป็นอาจารย์คิดจ้อย วอาการนี่มันก็เที่ยงช่วยเล็กน้อยนิดเดียวง่ายๆจะด้วยกิเลสมันใหญ่ที่ว่าความโกรธมันใหญ่ความทุกข์มันใหญ่แต่นี่มันเรียกว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นอาการเกิด ก, ก า, ากการจักการความทุกข์เป็นอาการลูกนี่นามนี่มันมีอาการวัตถอาการ มันมีวัตถุไม่มีตาไม่หีหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุนันแสดงการเมื่อหันสัมผัสการเห็นรูกก็เห็นเป็นาา น, น า, นานกนน า, ารที่เห็นสัจว่าเห็นความดั่ ง, งเป็นนาการของกายควาหนาเป็นอาการของกายความปวดความเมือ่อเป็นนาการของกายความทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจเป็นความทุกข์ที่มีระเบียบ การรับผ่อนย้อมันเป็นสภาวาทุธธรรมชาติอันหนึ่งเป็นนิจฉันทุกข์กันอยู่เรืงนี้อย่างนั้นอาคารทุกข์ครุภัณจรมาแต่ว่าทุกข์ของอริยสตร์นี่มันทุกข์ที่ต้องละเป็นระเบียบเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ได้ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่แค่ไหนเพียงใด มันบอกผู้มันบอกนามมันบอกมาเกิดควงสะดวกแกกฉานว่าต้องมีคําถามมี้แต่คำตอบไปเรื่อยๆเห็นของเท็จของจริงเช่นนี้ไม่ดุยถามใครตัวเองต้องตอบเองทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วเกิดควงสะดวกถามอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เมื่อใเห็นดํามพ้นเห็นพระพุทธเจ้า พูดแต่เห็นพระพุทธเจ้าพวกนั้นคิดว่าเห็นทองมัน ก, ก็เป็นอย่างนี้โอ้เจ้าอยู่เฉพาะหน้านี้ผู้ได้เห็นธรงพนั้นเห็นว่าเดจจังบูปบาตของที่มันเกิดโถนเรื่องเพรึงฉะนั้ี่มีึงนี้จึงมีฉะนี้ไม่มีฉะนี้ก็ไม่มีเห็นไปนหมดเ น, นมันเต า, ต า, ตาไปเต้าไปแล้วก็ลื่นโถนมันโนร้าย ที่มีใบดกดกนหนา๋าหัวถูกตัดลากกรรมก็เหนียวไปเองเขาไปเองใบก็บร่วงเองถูกที่มันก็ร่วงเองแต่ก่อนปิดไปมันออกฟวงเชวเหมันก็ใบใบเชื่อตรงไหนติดตรงนั้นเจ้ตรงนา้นวันนี้มันไม่ต้องทําอย่างนั้นเสร็จแล้ว เพราะมนี ạt, x x đ đ ้มีฉินี้จึงมีเรียกปฏิจจสมุปบาทได้หลักได้ฐานเป็นพ้งตัวเองได้เราเรียนเป็นเล็กนเรียนถ้าใส่ใจครูสอนและโสสอนขดีศรัทธาก็เห็นโจทย์เขียนลงมาแจกกระดานแล้นั่งอยู่ก็โค่เขียนลงไปเป็น ตัวออกมาจดสอนคูณลูกบวกกันไรหรือเป็นตัวหนังสือเขียนอะ้อ่านหมายถึงอะไรพอได้เห็นตัวหนังสืออยู่บนกระดานเราก็ฉลาดแล้วต่อไปหมดแล้วก็อ่านเขียนหมดตัวเขียนหมดเจ็ดข้อเจ็ดข้อเจห้าข้อ พอเขีนไปจบหล้วเราบได้หมดแล้วก็นั่งเขียนเอาเขียนเอาง่ง่ า, งาไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องคิดมันชั่นอนมันแตกฉันสิ่งกรรมะาถามชากรรมมาถามเป็นวิช า, ะะะ า, ชาแตกฉันในกายในใจนี้เป็นไปคือความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจุบันจริงๆ มันเดินไม่รู้เรียนตรงไหนก็ไมร่รู้แต่ได้ศึดษาเรื่งกรรมฐานนี่เป็นอย่างนี้ด้านจิตด้งใจก็วุน่น ว, ว, วุ่ตื่นเน่าตัวลราตื่ความทุกข์ไม่มีที่ตั้งความสุขไม่มีที่ตั้งจิตหมดมันไม่มีที่ตั้งไม่มีค่าความหลงไม่มีค่า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 อยู่ใ น, นโลกไม่ได้แบกโลกนั่งอยู่บนโลกฉุกไม่เป็นฉุกทุกม์เป็นทุกข์ควรนั่งอยู่บนโลกก็ฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกข์นี่อยู่ใต้โลกถกโลกทับนั่นมันก็ฝึกหันมันก็เป็นไปอย่างนี้กรามาถานนี่ควรจะเฉกียวเตือ น, ห น, ห, นหนุ่มๆนะน่าจะไม่ช่วยจิ๋วไปอิจฉะไปยาวนาน จะได้ไม่ตกเป็นธาตของอาการต่างๆที่พาให้หลงจะเป็นไม่เป็นก็เป็นทุกข์มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ทำได้ก็ไม่ได้ก็เป็นทุกข์มีมีให้เป็นเป็นให้ถูกตามวิถียำจะได้ได้ให้เป็นต้องไม่ทุกข์ได้เป็นเป็นให้ถูกเป็นอะไรก็เป็นถูกเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่เป็นคนอะไรก็ถูก ของตนของฉุนของทำได้มั่นใจมันเป็นอย่างนี้ทุ่งค่าที่ถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเกิดมาพ่อแม่อาจจะมาดูเรื่องนี้ก็ได้หรือลูกก็อาจจะดูดีกว่าเราก็ได้ถึงพ่อุณแม่ไปพูดในพ่อแม่ฟัง พ่อแม่ก็มาลูกจริงๆไม่รู้จักลูกไม่รู้จักนามจริงๆสอนจนพอใจเอาใส่จใจมากเมื่อวันมีแล้ววันของดีๆคิดถึงพ่อเห็นแม่เหมือนเพ่อแม่ได้อะไรมาก็คิดถึงลูกก่อนลูกกปเลยมาคิดถึงพ่อแม่ก่อนเช่นเดียวกัน โงของข้อของแม่หว่วงใหญลูกตลอดเวลาได้และบาคิดถึงลูกก่อนเอาใจใส่แต่คุณสุขภาพของลูกยังเกี่ยว่าสุขภาพของตัวป้องกันนตลายทั้งปวงในคิดหลังเกียดติในตะีทีท่หนะ้าหลังเกียรตของลูกทุกของลูกยังกี่ยวทุกของตัวลูกสุกทั่วเพียงใดก็แม่ก็จับไม่ขาด ลูกเป็นคนดีก็แม่มีความสุขใจโอ้มันอยู่ตรงนี้นอ้อโอ้คุ่มข้าเรากคุ่มข้าน้ำนมแล้วตี่เลี่ยงมาก็หมายถึงว่าผมใจที่มีพ่อแม่กำเนิดเกิดมาก็ยังมีกาวีใจที่พูดจาภาษาจะเอามาทำคนดี จะเอาวก่ใจเอูกบุญนามมาทำความดีมีคำพูดคำสอนก็จะพูดจะจอแต่ความถูกต้องความถูกต้องความไม่ถูกต้องก็จะไม่พูดไว้ให้ลูบุญนามเป็นทุกข์เป็นสุขไว้ให้มีเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในโลกแบบอิจฉาเฉลี่ยภาพเป็นจรรมาที่ปัจจายอันนี้นะมันึกฝาปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้ตอบออแท น, นคุณพ่อคุณแม่อยากยึดถือคนนัอนคนนี้อยากจะบอกแต่จะสอนพยายามบอกพาอยายามสอนแต่เดี๋ยวนี้ก็บมดโอกาสทิ้แล้วเงยงก็ไม่มีนใจากแค่โ ก, กชัยก็มีกำลัดันวนเช้าคำลัดันจุง ชะตาต์ใหม่ๆเต้นขึ้นมาจะตาต์ใหม่ก็ก็ก็ไม่สนับเหยียบของสังขารร่างกายไม่สะดวกในการที่จะบอกจะสอนพยายามช่วยตัวเองผล่วยเองเรื่องอย่างนี้คนอื่นเขียนไม่ได้ต้องเขีนตัวเองดูตัวเองให้ดี ให้โอกาสกันทีอย่าให้แดงเวกอดกันอย่าแย่งโอกาสกันที่ใดที่ทำให้อยู่เป็นโชกเป็นโชคทําให้สงบก่อช่างด้วยกันเป็นสิ่งเวทล้อมทั้งกันแล้วกันอย่ทะเลาะกันให้คิดจะช่วยเหลือทึ้งกันแล้วกันขิ้นขอสมรรคกันแต่เนี่ย นรเป็นนักขวดอยู่ด้วยกันโ h กันเดียวกันนี้จากพ่อจากแม่มาอยู่ร้วยกันมาจากกรุงเทพมาจากโน่นจากนี่มาจากสกุลระลึกได้แต่ว่ า, ามาเขาบกลงหอเขาหม้อลงหายเป็นท้องเถินเดียวกันตามทามํามไปวนัยอเหย็ดแรงเราสิไ่ได้สมเราการาว่างกัน